จิตเริ่มมีความผ่องมีความใสที่เราเรียกว่าจิตประภัสสรจิตประภัดสอนนี่แหละจิตประพัสสอนจิตประภัดสอนไม่ใช่อยู่จิตอยู่ประภัสสรอยู่อยู่แล้วกิเลสย้มาจิตประภัดสอนคือเราทําให้จิตได้รับความสงบนี่เองจิตประพัดสอนนี่คือจิตยังมีกิเลสอยู่จิตได้รับความสงบอยู่กิเลสจิตยังอมกิเลสเต็มแปร่อยู่ในนั้นนี่แหละคือจิตประพัดสอน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 มันก็เป็นได้ทั้งสมถะมันก็เป็นได้ทั้งวิปัสนาเราใช้อารมณ์ของสมถะเนี่ยใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไ ป, ไปพอเราหมุนขยับไปเต็มที่เราใช้อารมณ์สมถะนี่หมุนกลับเป็นวิปัสนา ส, สิ่งที่เป็นอารมณ์ของใจทั้งปวงทั้งมวลทั้งภายนอกทั้งภายใ น, นเป็นอารมณ์ของวิปัสนาทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับกิริยาที่เราเอามาทำ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 เห็นปรากฏทันทาตาจากนั้นแล้วก็พระองค์ก็แสดงจะมกปาฏิหารนี้นนพวกเราอยากดูรายละเอียดก็ไปหาดูเอาสิ่งวันนี้ก็ไปจากฤทธิ์จากเดชจากอภิญญาจากสมาบัติจากความรู้เหล่านี้นี่เราพูดถึงคุณสมบัติของใจคุณสมบัติของใจที่สงบมันเป็นคุณสมบัติของใจที่ไม่มีกามคุณในนั้น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 จิตของเราสงบเราเอามาทํางานอยู่กับสิ่งเดียวเรื่องเดียวมันถึงจะสงบได้เมื่อก่อนนั้นเราจับมาพามาพุโทโธกุโทโธก็ส่งไปนูปนปน้นกุทโธกุส่งไปนู้นก็ส่งออกไปมันไปยังไงมันไปได้เร็วเพราะวิญชามันคลุมปับป๊บปั๊บหายไปแล้วอวิญชามาครอบงําหัวใจของเราปับป๊บเงีบยบไปแล้ววิญชาครอบงําทีไรเมื่อไร่สติของเราดับ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 เป็นอาหารของเกลื่อนทั้งนั้นไม่ใช่อาหารของธรรมอาหารของธรรมก็คือกุทโธพุทโพุทโธอาหารของธรรมอาหารของใจนี่แหละคืออาหารของใจแท้ๆอาหารของใจไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสโปรตักพะที่เรานั่งปรุงนั่งนึกนั่ ง, ง, งคิดทั้งวันเป็นอาหารของใจไม่ใช่นั่งปรุงนั่งนึกนั่งคิดทั้งวันไม่มีอิ่มไม่มีพอแต่ว่าให้มาอยู่กับ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 ตอนนี้ไม่ต้องฟังข้างนอกเลยฟังข้างในไม่ทิ้งคำปริกรรมนะอย่าลืมนะอย่าทิ้งคำปริกรรมนะทิ้งคำปริกรรมไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ไปจนสามโมงครึ่งเราจะนั่งภาวนาไปจนสามโมงครึ่งอีกประมาณห้าิบนาทีเราผ่านเวทนาสู้กันสัหน่อยตะลุมบอลกันสัหน่อยนะเราผ่านเวทนาตะลุมบอลกันสัหน่อยเราไม่เอามาเป็นของเราเราก็ดูได้แต่เราไม่เอามาเป็นของเราเรารดูไม่ได้ทนไม่ได้